หลวงพอประกาศธรรมยตาบอกว่าเอื่นเชืว่ชว่ามาเบังธรรมชาติผู้เขาปลาม่ายแม่น้าไว้ผู้ใดเป็นตัวแทนธรรมชาติผู้หลงคอต้องเมตตาขอเป็นตัวแทนธรรมชาติคนเฮามีโสโสอสว อ, อเป็นทตัวแทนเฮาเอางบประมาณมาซอยโค้นต้นไม้เนี่ยธรรมชาติเนี่ยบมญผู้ซอย พูนที่เสนอเขาเยไม่เป็นตัวแท่นของเขาไเว่าเรื่องเขาแนะอาณาจักรเขาอยู่ทังไงมีปูมียามมีปูมีถวดมีพ่อมีแม่มีป้าม่ลูกมีลูกมีหลานแมนวัดไปบังในป่าเนี่ยตอนใหม่ต้นแท่นเนี่ยมัก็ซอยต้นใหม่ใหญ่ต้นไม่ใหญ่ก็ดูเลอะตัวมาหน่อยขึ้นเสีงขว้วมอ่อนี่